ภรยาของธานบนี้ก็อ้าวก็ชอบใจด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยยุ่งเกี่ยวได้เสียกันพอธานบนั้นเนี่ยไหมขึ้นจากน้ําหมายถึงว่าอสูรนั่นขึ้นจากน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วนางก็เอาวิชาทร น, นั้นอมไว้เสียเพราะว่าขึ้นมาแล้วหนีไม่ทนันแล้วลวิชาทรอนหนีไม่ทนันภรยาของธานบเนี่ยก็คงคิดว่าก็คงจะเป็นะ ยักเหมือนกันนะนะก็ปรากฏว่าก็เลยเอาวิชาธรเนี่ยอมมาไว้อมไว้ในในปากนี่ทานบปรากฏว่าพอขึ้นมาใช่ไหมก็เอาภรรยานะของตนเนี่ยเอาไว้ไว้ในพระอบเพราะอะไรอะตอนนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เอาภรรยาเนี่ยไว้ในพระอบปิดพระอบเสร็จก็ยังไงก็อมอมเอาเก็บไว้ในในท้องเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยกลายเป็นยังไงละ เลยกลายเป็นในพระอบนี่ก็มีพี่ชาทร อ, อยู่แล้วก็มีภรรยาของธานบเนี่ยอยู่วันเรื่องเนี่ยเขาก็เลยเล่าวันนี้แหละนะขนาดโอ้โหเอาซุกซ่อนเอาภรรยาตัวเองยึดซุกซ่อนไม่ให้ใครพบไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครเจอถึงขนาดนี้ในที่สุดภรรยาก็ยังมีชู้ได้นะอันเนี้ยกุณารชาภรรยานกกุณาระก็ พูดว่าเนี่ยขนาดอย่างงี้นะแล้วก็จริงอยู่นรชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแม้จะมีฤทธิ์เดชมีมหาชนสักระบูชาถ้าตกอยู่ในอำนาจของหญิงแล้วย่อมไม่รุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์ถูกราหูจับไปฉะนั้นหรือว่าลาหูอะไรอมจันทร์หรือว่าจะบังจันทร์ก็แล้วแต่ในอันนี้เปรียบถ้าถ้าใครเนี่ย นะไปอะไรตกอยู่ในอำนาจของผู้ชายก็แล้วแต่ห ร, หรือผู้ชายาหรือผู้หญิงไปตกอยู่ในอำนาจของผู้ชายก็แล้วแต่นั้นก็เหมือนกับโดนลาหูอมเอาไว้ลาหูนี่ก็คืออสูรเหมือนกันนะ เ, เป็นยักษ์ตนหนึ่งเหมือนกันมันก็จะโดนเนี่ยโดนยักษ์ในอมไว้โจรผู้มีจิตโกรธคิดประทุษร้ายพึงกระทำแก่โจรอื่นซึ่งเป็นฆ่าศึกที่มาประจันหน้า แต่ผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิงมีความใคร่อยากย่อมเข้าถึงความพินาศยิ่งไปกว่านั้นอีกวุ้ง่ายว่าโจรฆ่าโจรเนี่ยหรือว่าโจรจะมาทำร้ายโจรโขนแค้นกันเป็นฆ่ากันเนา่ยโจรว่าโหดร้ายว่าอะไรอะลำบากย่อยยับอะไรมากแล้วนะแต่ไม่เท่ากับผู้ชายที่ตกอยู่ในอำนาจของผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ตกอยู่ในอำนาจของผู้ชาย นะย่อยยับยิ่งกว่านั้นเพราะอะไรถ้าโจรมันมาฆ่าเรานี่เป็นไงคุณตายไปนี่เป็นไงบ้างเอ่จิตคุณยังไม่ได้อะไรใช่ไ้ยคุณยังไม่ได้ไปผูกไม่ได้ไปถ้าแม้โทรสาร์เนี่ยโทรศัพ์นี่ยังผูกไม่เท่าราคานะโทรศัพท์คุณยังเห็นทุกข์ได้ง่ายใช่ไหมคุณยังสามารถจะเห็นทุกข์แล้วก็อยากจะรีบเลิกซะเลิกที่จะไปผูก พยาบาทอาคาดแค้นแต่ถ้าเป็นราคะเนี่ยเป็นความราักใคร่เป็นความผูกพันโอ้โหมันไม่ลืมเลยมันผูกไปต่อให้คุณตายไปแล้วมันก็ผูกไปอีกเพราะมัยังอยากจะมีอยากจะเป็นอย่างนี้อีกมันจะผูกไปยาวกว่าหลายชาติถ้าผูกพันกันด้วยความราักใคร่ละมันถึงบอกว่าเนี่ยมันมันหนักหนาสาหัสกว่านะหญิงถึงจะถูกชายฉุดกระชากลากผมและหยิกขวัด้วยเร็บ คุกคามทุบตีด้วยเท้าด้วยมือและท่อนไม้ก็กลับวิ่งเข้ามาหาเหมือนหมูมแมลงวันที่พูดง่ายเข้าไปตอมซากศพโอ้อันนี้เปียบหนักนะโอ้โหผู้หญิงนี่บางคนโดนเขา่าโดนศอกติดกำแพงบ้างนะผนังบ้านยุบไปเลยบ้างถึงอย่างเงี้ยบางทีก็ยังโอ้ยยังอยู่อยางไงเนะี่ะ นะยังอยู่กับไออะไรนักมวยนั่นแนหะยังอยู่อย่างนั้นอีกอโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกนะรู้สึกว่าอดทนดีมากคืออันนี้เขาพูดถึงหมายถึงว่าเนี่ยแหละบางทีแล้วจริงๆเลยอันนี้เนี่ยจะเห็นเยอะนะถ้าอันนี้นี่เห็นเยอะโอ้โหโบางทีโดนซ้อมเชา้าซ้อมเย็นอะไร หาน้อยรายที่อะไรผู้หญิงทำร้ายผู้ชายะนะหาน้อยรายส่วนใหญ่่ะผู้ชายทำร้ายผู้หญิงเยอะแต่ขนาดโดนทำร้ายยังไงก็อะไรนะผัวข้าใครอย่าแตะขนาดโดนซ้อมแล้วซ้อมอีกนะโอ้โหก็ยังแบบว่าไม่ยอมเลยนะใครมาเข้าใกล้ผัวที่เป็นนักมวยเนะี่ยโอ้โหก็ยังไม่ยอมเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ย อบุรุษผู้มีดวงตาคือปัญญาปรารถนาความสุขแก่ตนพึงเว้นหญิงเสียเหมือนกับบวงเหมือนกับดักเนี่ยเหมือนบวงเหมือนตะข่ายนะที่ดักไว้ในสกุลดักไว้ในถนนดักไว้ในราชธานีดักไว้ในนิคมนะอันนี้ถ้าบอกว่าถ้าคนที่ฉลาดอะผู้ชายที่ฉลาดก็ตามผู้หญิงที่ฉลาดก็ตาม อย่าไปติดบ่วงพวกนี้บ่วงสเสนหะ อ, อะไรอีกมีบ่วงมีกับดักนะอย่าไปติดกับดักแห่งการมราคะอะไรพวกนี้นะอย่าไปติดใจอย่าไปยินดีอย่าไปพอใจนะถ้าใครมีปัญญาไม่มีอย่างอื่นแก้นะต้องอาศัยปัญญาเท่านะปัญญาที่รู้กรรมทีนวะ หมายถึงรู้โทษของกามต่างๆว่าโอ้โหกามเนี่ยมันมีโทษยังไงมันทุกยังไงมันทําให้เราเนี่ยต้องสีน้ําตาไปมากแค่ไหนละมันทําให้เราเนี่ยต้องโอ้โหทรมานต้องเจ็บปวดมาชาติแล้วชาติเล่ากี่ชาติมาแล้วเนี่ยจะต้องใช้ปัญญาปัญญาที่เป็นปัญญาในทางธรรมะเนี่ยพิจารณาให้แตกให้ออกให้ได้เลยถ้าใครพิจารณาได้มันถึงจะค่อย บรรเทาค่อยลดละเอกิเลตกามราคะพวกนี้ลงไปได้ใครพิจารณาอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยจิตมันก็ยังยินดีก็ยังพอใจอยู่อยู่อย่างนั้นอะ่ะแล้วนับวันมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆวันถ้าใครไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกภัยของตามแล้วคนนั้นจะลดไม่ลงเลยนะผู้ใดสละแล้วซึ่งตะบะคุณอันเป็นกุศลประพฤติริตอันไม่ใช่ของอาริยะผู้นั้น ต้องกลับจากเทวโลกไปคุกเข้าอยู่กับนรกเหมือนพ่อค้าซื้อมอแตกฉะนั้นคือเนียบอกถ้าใครไม่มีศีลใครไม่มีตะบะนะเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ประพฤติจริตนิสยัยอ่ะคือใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการกินอยู่หลับนอนเนี่ยไม่พยายามใช้จริตนะที่ที่เป็นแบบของพระอริยะแล้วเนี่ยนั่นแหละคนนั้นน่ะจะไปลงนรก นะแทนที่จะได้ไปสวรรค์หรือใครเนี่ยเคยอยู่สวรรค์ก็ตามแต่ปรากฏว่าเราเลิกตะบะซะเราเลิกศีลของเราซะเราไม่ค่อยประพฤติปฏิบัติเราหย่อนยานคนนั้นนะ่ะกำลังตกสวรรค์ลแล้กลังเข้าไปสู่นรกแล้วก็เปรียบเหมือนพ่อค้าซื้อหม้อแตกฉะนั้นอันนี้ไม่รู้เข้าใจเรื่องไหมพ่อค้าซื้อหม้อแตกคือแทนที่พ่อค้าเนี่ยจะอะไรอ่ะ ไปซื้อหาของที่ดีๆของที่มีประโยชน์อะไรต่างๆพวกเนี้ยเอามาใช้แต่กลับปรากฏว่ากลับไปเอาหมอ้อแตกเนียมาใช้นะกลับไปได้หม้อแตกมาเนี้ยแสดงว่าพ่อค้าคนนี้เป็นไงโง่เป็นพ่อค้าที่โง่เป็นพ่อค้าที่ไม่ฉลาดนะเอาของสมมติว่าบางทีเอาของดีของมีราคาเอา้า ไปแลกม่อแ ต, แตกมาอย่างเงี้ยโอโหโงโห่หรือฉลาดเนี่ยเหมือนกับตัวเราเนี่ยจริงๆอะ่ะถ้าเออเราพยายามถือศีเรามีตะบะรมใช่ไหมเราเราดีอยู่แล้วแต่กลับเนี่ยไปเกิดจิตดาาะตั้นหาเสร็จแล้วเอาไปรักคนนั่นไปชอบคนนี้นี่แหละกำลังเอาของมีราคาไปแลกมอแตกกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนี่จะลงนรกถ้าใครไป ไปมีจิตแบบนีนะ้แล้วก็จะเสื่อมต่ำไปเรื่อยๆบุรุษตกอยู่ในอำนาจของหญิงย่อมถูกตีเตียนทั้งโลกนี้และโลกหน้ากรรมของตนกระทบแล้วเป็นคนโง่เขลาย่อมไปพลังพลังพล า, าดพาดโดยไม่แน่นอนเหมือนรถที่เทียมด้วยลาโกงย่อมไปผิดทางฉะนั้นเคยจะยินเรื่องลาโกงไหม คือมันไม่ยอมไปามตามทางที่สมมติว่าเขาให้มันขนแบกสัมภาระอะไรไปอย่างเงี้ยมันไม่ยอมที่จะไปทางนี้อ่ะมันขี้เกียจบ้างมันดื้อบ้างมันจะไปทางอื่นแต่อันนี้เขาเปรียบกับกับความโง่นะบอกว่าผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามเนี่ยที่ไปติดอยู่ในอํานาจของฝ่ายตรงข้ามแล้วอย่างเงี้ยนะอันนั้นอะ่ะก็เป็นเหมือนกับคนโง่แล้วก็จะทำให้อ ะ, ร ะ, ระไรผิดพลาดบ่อย ผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิงย่อมเข้าถึงนรกเป็นที่เผาสัตว์ให้รุ่มร้อนและนรกอันมีป่างยุมีน้ำแหลมดังหอกเหล็กแล้วมาแล้วมาเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรฉานย่อมไม่พ้นจากวิสัยเปรตและอสุรกายคือพูดง่ายว่าตอนนี้กาลังบอกว่าใครก็ตามไปตกอยู่ในห้วงสเสนหาการมาราคะอะไรพวกนี้คนนั้นพูดง่ายเนี่ยตกนรกแล ท, ท, ที่ที่เราจะเห็น ที่เขาไปเปรียบแล้วเนี่ยไปปีนต้นยิ้วบ้างใช่ไหมแล้วนี่มีอะไรเ่ยโดนหอกเหล็กน้ําแหลมอะไรทิ่มแทงบ้างใช่ไหมแล้วก็เนี่ยต้องไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกฉานสัตว์นรกนะอันนี้หมายถึงไ ป, ไปเกิดเป็นสัตว์ในโลกนี้ก็ตามหรือในนรกกับภูมิก็ตามเนี่ยไปเป็นเปรตก็ตามไปเป็นอสุรกายก็ตามเปรตอสุรกายอะไรพวกนี้นี่ล้วนเป็นสัตว์นรกทั้งนั้นคําว่าสัตว์นรก ต่างจากสัตว์ดิรัชานสัตว์ดิรัชานนี่ก็คือสัตว์ที่บังเกิดในใ น, ในโลกนี้แหละอ่าแต่สัตว์นรกนี่หมายถึงว่าสภาวะจิตที่มันเล่าร้อนสภาวะจิตที่มันยังโดนทรมานทรกรรมอยู่เพราะความใคร่อยากแต่ว่ามันไม่ได้มาไงตอนเนี้เป็นเปรตโอ้โหอยากได้อยากได้แต่ไม่ได้อยากได้อยากได้แต่ไม่ไดนะ้หรืออสุรกายก็ตามวันสภาวะจิตของใครเนี่ย ที่เป็นสภาวะแบบนี้เนี่ยใครอยากเกิดอารมณ์ใครอยา ก, เ, ก, ายากเหมือนไอ้พวกที่มาบางทีเนี่ยมันไปเที่ยวข่มขืนชาบ้านชาวช่องเขาไปเบียดเบียนไปทำร้ายไปอะไรเนี่ยนี่เนี่ ย, ยพวกนเนี่ยเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายในร่างมนุษย์นี่แหละแต่ว่าเขาเปรียบเหมือนกับเปรตเหมือนกับสัตว์นรกนะโอ้โหใครอยากแล้วก็บางทีเนี่ยก็ไปจี้เขาไปบังคับเขาไปขืนใจเขา ไม่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปอยู่ในนรก อ, อะไรนะตายดินอะไรนะ น, นี่เราฟังแล้วต้องเข้าใจหญิงย่ำทำลายความเล่นหัวความยินดีความเพลิดเพลินอันเป็นทิพย์และจั ก, กรพัฒสมบัติในมนุษย์ของชายผู้ประมาทให้พินาศและยังทำชายนั้นให้ถึงทุกติอีกด้วยทาให้ไปทุกตินี่หมายถึงว่าทำให้ไปในทางที่ชั่ว ไครเนี่ยถ้าตกอยู่ในอำนาจบ่วงกิเลสพวกนี้แล้วเนี่ยนะมันจะไปเลยในตัวเลยมันจะทำให้บางทีเนี่ยชีวิตประจำวันของตัวเองเนี่ยมันจะโดนดึงไปในเรื่องพวกนี้อันในที่สุดเนี่ยบางทีก็เสียการงานบางทีก็เสียผู้เสียคนเสียเวลาลเวลาอะไรต่างต่างเสียสุขภาพร่างกายอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะต้องให้ดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะไปทุคติมันไม่ มันไม่ไปสุขคติชายเราช า, ราใดไม่ต้องการหญิงแล้วประพฤติพรหมจรรย์เอาล้วนะตอนนี้กายจะจบละโอวันนี้จบแน่แน่วันนี้ชายเราใดไม่ต้องการหญิงแล้วประพฤติพรหมจรรย์ชายเหล่านั้นพึงได้การเล่นหัวความยินดีอันเป็นทิพย์ คำว่าเล่นหัวแล้วก็ความยินดีเนี่ยเป็นทิพก็คือมีความสุขมีความเพลิดเพลินอยู่กับทิพทิพนี่หมายถึงกุศลนั่นเองนะคำว่าทิพในที่นี้นะแม้แต่จกกักรพรรดิสมบัติในมนุษย์และนางเทพ อ, อักษรอันอยู่ในวิมานทองโดยไม่ยากเลยเหมือนกับผู้เจ้าเนี่ยเคยไปรับรองรับรองใครรับรองเจ้าชายนันทะคือพาเจ้าชายนันทะไปดูพวกนางฟ้าพวกอะไรต่าง บอกเนี่ยถ้าปฏิบัติทำไปน ะ, ะปฏิบัติทำได้ดีขึ้นสูงขึ้นเนี่ยจะได้พวกนางฟ้าพวกนี้ได้พวกเทพ อ, อักษรถามว่าผู้หญิงทั้งกระถามว่าเนี่ยพวกนางฟ้าเทพธิดาพวกนี้สวยกว่านางชนบทกรยาณีของเจ้าชายนันทามั้ยเจ้าชายนันทาเปรียบบอกโอ้โหสวยกันเยอะเลยนางฟ้าพวกเนี่ยถ้าจะเปรียบแล้วเนี่ยนะเหมือนอย่างกับว่า านางโชนบทกาลยานีอันนี้หมายถึงว่าภรรยาที่แต่งงานด้วยแหนนะของของของเจ้าชายนันทาเนี่ยเปียบเหมือนกับลิงที่นั่งอยู่ที่ตอไม้ที่ถูกเป้าไฟ <c oughs> โอ้เปรียบหนักมากเลยนะส่วนโอ้โหส่วนพวกนางฟ้าพวกนี้โอ้โหเป็นมนุษย์ที่สวยงามมาก <c oughs> เปรียบอย่างนั้นเปียกหนักหนักเพราะฉะนั้นเลยบอกโอ้อยากได้นางฟ้าแบบนี้ เพราะนั่นเลยโอ้โหตั้งแต่นั้นกลับไปก็เลยแหมบําเพ็ญใหญ่เลยเพราะอยากได้นางฟ้าแบบนี้จริงๆแล้วเป็นโดยท ร, รมาทิฏฐานน่ะนางฟ้าไม่มีหรอกนะคุณขึ้นเครื่องบินไปเกี่ยวเที่ยวก็ตามคุณไม่เจอหรอกนางฟ้าแบบนั้นไม่มีจริงๆแล้วเป็นธรรมทิฏฐานนะหมายถึงหมายถึงสภาวะของจิตใจเนี่ย นะันางฟ้าหรือพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับพวกเทวดานั่นเองหมายถึงสภาวะจิตที่เป็นสุขเนี่ยเป็นทิพย์หมายถึงสภาวะจิตที่มันโอโ้ถ้าปฏิบัติธรรมสูงขึ้นแล้วจะได้นางฟ้าพวกนี้คือคุณจะได้สภาวะจิตที่มันโอ้โหเบาสบายมีความสุขแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปผูกพันไม่ต้องไปเที่ยวหลงไหลรักใคร่ใคร โอ้โหจิตอย่างนี้สิมันเบามันสบายมันไม่มีอะไรพาระไม่มีอะไรต้องมาผูกพันอย่างนี้นี่นี่ได้เทพธิดาได้นางฟ้าแบบนี้จิตมันจะเบาสบายแบบนี้ น, น, นะนถ้าใครเข้าใจได้ก็จะรู้เพราะเนี่ยใครประพฤติพรหมาจรรย์ได้นะโดยที่ผู้หญิงทิ้งผู้ชายได้ผู้ชายทิ้งผู้หญิงได้ทิ้งในที่นี้ต้องเข้าใจนะ ไม่ใช่เดี๋ยวเป็นสา ม, มีภรรยามาถึงก็ทิ้งเลยเดี๋ยวซวยนะถ้าอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวบ้านแตกเดี๋ยวมีเรื่องแน่ทิ้งในที่นี้หมายถึงว่าเราเองเนี่ยเราอะไรอ่ะถ้ายังไม่แต่งงานก็เป็นโสดให้ได้หรือถ้าใครแต่งงานแล้วถ้าอะไรอ่ะมาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าทำความเข้าใจกันได้ก็เอา้าประพฤติพรหมจรรย์ได้สามารถถือศีลปฏิบัติธรรมได้ต่างคนก็ต่างถือศีลแปดได้ นะอันนี้ก็คือสามารถที่จะเลิกลดละจากเพศตรงข้ามมาได้ชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิงแล้วประพฤติพรหมจรรย์ชายเหล่านั้นพึงได้คติที่ก้าวร่วงเสียซึ่งกามธาตุรูปธปาตุและคติที่เข้าถึงวิสัยความปราศจากราคะโดยไม่ยากเลยจริงๆแับ ย, ยากหัหยโอ้โห นี่อัตมาทิ้งมาตั้งหลายปีแล้วนะยากนะขนาดทิ้งมาตั้งหลายปีแล้วแต่ในที่นี้คําว่าไม่ยากเลยเนี่ยหมายถึงว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเลิกซะได้แล้วเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวเราไม่ต้องไปสนใจใยดีด้วยแล้วนะโอ้โหอย่างน้อยน้อยนี่คุณสบายมาเยอะแล้วราคะหยาบหยาบนี่คุณตัดออกไปได้มากเลยส่วนว่าขั้นกลางขั้นละเอียดเอามันก็ต้องยากหน่อยสิ แต่ในที่นี้เราพูดขั้นหยาบก่อนวันนี้โดยไม่ยากเลยนี่คือขั้นหยาบหยาบเนี่ยคุณไม่ต้องไปมีสามีไม่ต้องไปมีภรรยาโอ้โหคุณสบายตัวไปต้งเยอะแล้วหลายเรื่องหลายอย่างเลยอาตมาเคยคุยเคยถามหลายๆคนมาที่แต่งงานมีครอบครัวไปรักใครปองดองกันดีเ อ, อไม่ทะเลาะวิวาดอะไรกันเลยนะแต่ถามว่ามีความสุขจริงไหมเข้ากันได้ดีจริงไหม ไม่จริงอ่ะเขาตอบตรงๆเหมือนกันเขาก็บอกว่าไม่อ่ะยังไงก็เจอไอ้ที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจอ่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันมันตรงไปทุกเรื่องไม่ได้หรอกนะบางเรื่องก็อืออจขัดเครื่องก็เอาพยายามอ่ะมันต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยก็พยายามประนีประนอมพยายามที่จะถนอมน้ําใจกันเท่า น, นั้นเองหรือบางทีอยู่กันไปนานปีเข้าก็เบื่อก็ได้อืมเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สบายจริงนะแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหถ้าปลดออกไปได้นี่เรื่องกินเรื่องนอนจะไปไหนมาไหนเรื่องการทํางานนาะเรื่องอะไรอะ่ะการครบหาสมาคมกับใครอะไรนี่โอ้โหคุณไม่ต้องหวาดระแวงคุณไม่ต้องไปหึงหวงคุณไม่ต้องไปอิจฉาริษยาอะไรต่างๆโอ้โหจิตมันเบากันเยอะเลย ใครมีมาแล้วคงจะรู้อ่ะใครยังไม่มีก็อาจจะนึกอยู่แหม่จริงเล้อ <c oughs> นะอาจจะนึกอยู่ยังอยากที่เข้าถึงใช้สำนวนว่าอะไรนะคนในอยากออกนะคนนอกก็อยากเข้าเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะอ่ะแต่ยิฟังต่อกล้จะจบแล้วชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิงแล้วประพฤติพรหมจรรย์ชายเหล่านั้นเป็นผู้ดับแล้ว สะอาดพึงได้นิพพานอันกเกษมอันก้าวล่วงเสียซึ่งทุกทั้งปวงล่วงส่วนไม่หวั่นไหวไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่ยากเลยสุดแล้วนะนี่สุดแล้วนะเพราะข่าวนี้พูดง่ายว่าใครเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ได้นะพูดง่ายว่ากามราคะอะไรพวกนี้ก็จะลดลงเสร็จแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมันลดลงไปลดลงไปลดลงไปลดลงไปจนในที่สุดมันดับ กามได้จริงอย่างน้อยที่สุดฐานที่สามารถที่จะตัดกาลมราคะออกไปได้หรือหมดกามได้ฐานไหนออฐานานาคามีก็สามารถที่จะหมดกามได้แม้ว่าอาจจะเหลือเศษเหลือเสี้ยวเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆบ้า ง, างนิดๆหน่อยๆก็ตามแต่ถือว่าดับได้เพราะอย่างง่ายน้อยเนี่ยถ้าใครปฏิบัติมาจนถึงขั้นนี้แล้วโอ้โหสบายเลยคราวนี้ อนาคามีหรือก็อนาคาริกเพรา ะ, ะนั้นอย่างน้อยก็ต้องก็ต้องอะไรละต้องถึงขั้นเหมือนกับมาเป็นนักบวชแล้วย่างน้อยต้องศีลเท่าไหร่ศีลสิบอย่างน้อยต้องศีลสิบ ไ, ไม่ใช่ศีลแปดเพราะว่าศีลแปดก็ยังมีใช้เงินใช้ทองอะไรต่างๆศีลแปดเนี่ยกิเลสกามนี่เบาบางลงยังไม่หมดนะศีลแปดที่ยังไม่หมด มันต้องขึ้นมาศีลสิบถึงจะหมดทำไมอ่ะทำไมถึงจะหมดเพราะศีลแปดนี่ถ้าตาบใดยังเป็นคารวาสอยู่ใช้เงินใช้ทองมีอะไรอะ่ะมีผัสสะมีอะไรต่ออะไรที่มันต้องยุ่งเกี่ยวผู้ชายผู้หญิงเนี่ยยังอีกเยอะมากโอกาสที่จะรอดพ้นนี่ยากแต่ถ้าสมมติว่าเราเองพอมาถึงศีลสิบใช่ไหมโอ้คุณต้องโกนหัวคุณต้องมีอะไรอะ่ะ จีวรหรือว่ามีชุดที่เป็นนักบวชมาแต่งคุณต้องมีศีลที่จะมาควบคุมมัมีกรอบครอบเอาไว้อีกขนาดหนึ่งครานี้จะไปทําผิดก็ไม่ได้ทําพลาดก็ไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยว่าโอ้โหป้องกันไว้เยอะเลยแล้วคุณก็ต้องบังคับจิตบังคับใจให้ได้ด้วยถ้าคุณบังคับใจไม่อยู่คุณก็ศีลขาดแต่ในที่นี้เราหมายถึงว่าผู้ที่สามารถที่จะ อาศัยศีลเนี่ยที่เราเลื่อนฐาเลื่อนขั้นขึ้นมาแล้วก็ฝึกปือได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยศีลแปดเนี่ยอศีลสิบเนี่ยเราก็สามารถรักษาได้คราวนี้คุณไม่ต้องมีบ้านช่อนเรือนชานแล้วสิคนไม่มีบ้านเนี่ยพูดง่ายไม่ไม่ต้องมีครัวนั่นเองไม่ต้องมีบ้านก็ไม่ต้องมีครัวมาครอบไม่ต้องมีครัวมาครอบ เอวันนั้นถ้าใครเนี่ยมันถึงปฏิบัติยากไงถ้าสมมุติยังเป็นคารวาสอยู่เพราะยังไงเดี๋ยวคุณก็หนีครัวไม่ไม่พ้นหรอกเพราะยังไงก็ต้องกินถูกมเออต้องอาศัยเพราะว่าต้องกินต้องนอนต้องอะไรต่ออะไรเพราะในที่สุดหนีไม่พ้นมันต้องมีครัวมาครอบจนได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นโสตจริงๆเนี่ยท่านอยู่ในเพศคารวาสถึงยากถึงได้บีได้น้อย มีได้เหมือนกันแต่มีได้น้อยเมันถ้าเราเองเนี่ยเราเข้าใจนี้ได้พระเจ้าถึงบอกว่าการมาบวชเนี่ยเป็นเส้นทางเพียงสายเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เหมือนกับสังเนี่ยที่ขัดให้มันขาวสะอาดได้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นคราวญาอยู่เนี่ยพูดง่ายว่าโอ้โหมันขัดยากนะมันเหมือนกับมีสิ่งสกปรกมีอะไรต่ออะไรเนี่ยที่จะมาปนเปื้อนมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวคุณขัดไปได้หน่อยเอาไอ้นุ่มมา แตะต้องไอ้ดีมาเลอะอีกละมันยากแต่ถ้าพอมาถึงขั้นมาบวชปับ๊บเนี่ยมันมีวัดบาอารามหรือว่ามีศีลมีวินัยต่างๆเนี่ยมาเหมือนกับว่ามาเป็นกําแพงกั้นเอาไว้ให้ได้นะผู้หญิงจะเข้ามาหาอ้าวไม่ง่ายแล้วนะไม่ง่ายแล้วนะใช่ไหมแล้วก็อย่างน้อ ย, อยก็จะกลัวบาปกลัวกรรมอะยกเว้นหน้าด้านเท่านั้นน่ย <c oughs> นะถ้าสมมติโดยจิตธรรมดาแล้วเอา้าไม่กล้าหรอกกลัวอจริงๆโดยสามัญสำนึกส่วนใหญ่แล้วกลัวไม่ค่อยกล้าหรอกเพราะว่าเนี่ยรูปแบบหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมันยืนยันหรือมันบอกให้รู้อยู่แล้วเพราะอันเนี้ยถ้าเส้นทางสายเนี่ยผู้เจ้าถึงพูดง่ายว่าสร้างขึ้นมาเลยสำหรับให้คนที่สามารถที่จะถือศีลปฏิบัติธรรมศาสนาพุทธเนี่ยถึงบอกว่าถึงนิพพานได้ สามารถที่จะดับกามดัดราคาอะไรพวกเนี้ได้หมดได้ได้เกลียงได้ทำให้สะอาดเนี่ยถึงนิพพานอันกเกษมเนี่ยก้าวร่วงเสียซึ่งทุกทั้งป่วนเนี่ยได้พญานกกุณาละแสดงเทศนาจบลงจนถึงอมะตะมหานิพพานอย่างนี้แล้วสัตว์ทั้งหลายคือ ตามเนื้อเรื่องเรารู้ใช่ไหมโอ้โหใครต่อใครมาฟังเยอะมากเลยจำไม่ได้แล้ะตอนนั้นบวกกันไม่รู้เท่าไหร่นะโอ้โหเป็นเท่าไหร่เป็นกี่พันนหรือว่าเป็นหมื่นไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วต้องไปต้นเรื่องนวนปรากฏว่าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทั้งลูซีทั้งใครต่อใครที่มาฟังทั้งพญาแรง้งทั้งอะไรต่ออะไรนะทั้งกินนอนพญานาคในป่าหิมพาน และเทวดาที่อยู่ในอากาศก็พากันสาทุกการว่าน่าอัศ จ, จรร์จิงน่าอัศ จ, จรรย์ิงดังกึกก้องสนันไปทั่วบริเวณนั้นเลยหลังจากนั้นแล้วพญาแรงชื่อว่าอานน์พราหมณ์ฤษีชื่อนารทะและพญานกปุณณนะมุขะดูุวาขาวก็พาบริวารของตนไปสู่ที่อยู่ของตนตามเดิม แม้แต่พญานกกุณาละก็กลับไปยังที่อยู่ของตนเช่นเดียวกันพูดง่ายถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตเลิกแล้วถ้าต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านนะเนี่ยต่างคนต่างแยกย้ายก็ไม่เสร็จแต่พวกทั้งหลายนี้ย่อมไปมาหาสู่กันเสมอและตั้งอยู่ในโอวาทของพญานกกุณาละ ย่อมมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าจบนะทั้งหมดเนี่ยเรื่องของกุนาราชาดกผู้เจ้าท่านตรัสเล่าเรื่องชาดกเรื่องนี้ครั้นพระาศาสดาทรงนำพ ร, รรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงตรัสคาถาสุดท้ายว่าพญานกกุนาระในครั้งนั้นเป็นเราตถาคตนี่เองพญานกอุณนมุขะดูว่าวขาว ก็คือพระอุธายีในบัดนี้ส่วนพญาแรง้งอานนนพญาแรงนในในเรื่องนี้นะที่ที่ชื่ออาโนนเนี่ยก็เป็นพระอานน์ในบัดนี้นารทะฤศีก็คือพระสารีบุตรส่วนบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทเธอทั้งหลายจงจํากุณาระชาดกไว้อย่างนี้แล นะพอผูอ้เจ้าเล่าชาดกนี้จบแล้วฝ่ายพระภิกษุราชกุมารทั้งหลายจําต้นเรื่องได้แล้วนะว่าที่เจ้าชายทั้งหลายเนี่ยที่ผู้เจ้าท่านตัดเพื่อที่จะแก้เรื่องการเรื่องราคะที่ไปคิดถึงภรรยาเก่าเนี่ยนะเนี่ยเจ้าภิกษุราชกุมารทั้งหลายเมื่อพระศาสดาทรงแสดงกรรมฐานกรรมฐานนี่หมายถึงอะไรกรรมฐานก็คือข้อที่ให้ ให้มาพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณานะจนกระทั่งเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงต่างๆนะให้เหมาะสมกับภิกษุนั้นๆเนี่ยทรงแสดงกรรมฐานให้ภิกษุเหล่านั้นในป่ามหาวันแล้วพระภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นเองจบกุณาระชาดกที่เหลือนอกนั้นไปคิดต่อเอง นะว่าฟังเรื่องนี้ไปแล้วโอ้โหว่าเรื่องกามเรื่องราคาเรื่องควาบุพพานมากมายเนี่ยเราจะเอาประโยชน์ตรงไหนเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเราได้จำไว้ตรงนี้เสมอเลยว่าฟังอะไรโดยเป็นธรรมะเนี่ยฟังแล้วอย่าไปทิ้งหมายถึงว่าฟังแล้วเอาไปพิจารณาเอาไปใช้ให้ได้ไปตรวจ ด, ดูตัวเราเองสิเรามีจิตกลามจิตราคะอะไรโทสะอะไรยังไงอยู่บ้างที่ เอาเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วเนี่ยทำให้เราพึงระวังพึงสองวรตัวเองแล้วทำให้เราเนี่ยจะได้ปฏิบัติธรรมไปโดยไม่ประมาทต่อไปอ่ะวันนี้ก็คงพอเพียงเท่านี้